ตัดสินจากแนวโนม้มในการสามารถห้ามใจจากบาปจะทาโดยคุณยายแหลมสีกงผ่านคุณรู้ดีออกมาจากส่วนลึกว่าการผิดศีลผิดธรรมทำให้เราออกห่างจากความเป็นมนุษย์ทีละน้อยแต่ก็ช่างน่าแปลกใจที่โลกรอบตัวเราเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ หรือกระทั่งเหตุการ์บังคับให้ผิดศีลผิดธรรมเกลื่อนกลาดไปหมดแล้วก็คล้ายมีอะไรแกล้งท่งเหยื่อล่อใหม่ๆมากระตุ้นกิเลสกันไม่เว้นตะวันด้วยหรือว่าไม่ควรแปลกใจแต่ควรเอะใจว่าเรากําลังอยู่ในเกมการเล่นตลกที่มีต่การจะดึงดูดให้ร่วงหลนไหลลงสู่ภาวะต่ำต้อยกว่าเดิมกันหรือเปล่าขอให้สังเกตว่า เมื่อใดก็ตามที่คุณจะต้องทำผิดบาปส่วนลึกจะรู้สึกผิดโดยไม่ต้องมีใครบอกดังนั้นขณะลงมือทําหรือขยับปากพูดจึงรู้สึกฝืดฝืนโดยไม่ต้องมีใครชี้นำหรือหว่านล้อมว่าคุณควรจะรู้สึกเกรงเกรงนะไม่ควรจะทําได้อย่างสบายใจนักนะสรุปว่าเดิมทีคุณรู้ของคุณเองว่าอะไรบุญอะไรบาป อะไรดีอะไรชั่วและนึกอยากห้ามใจเมื่อถูกบีบให้ทำชั่วสิ่งนั้นแหละที่เรียกว่าคุณธรรมประจำจิตวิญญาณแบบมนุษย์หรือมโนธรรมนั่นเองธรรมชาติของมโนธรรมที่คุณรู้สึกได้มโนธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทราบด้วยตนเองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมีติดตัวทุกคนมาแต่เกิดเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนคือะตาชีวิตที่ทำให้ไปเกิดกับใครที่ไหนเกิดสภาพบีบคั้นให้มโนธรรมแข็งแรงขึ้นหรืออ่อนแอลงเพื่อที่จะเข้าใจว่าจะสังเกตมโนธรรมอย่างไรจิตวิ ญ, ญญาณของคุณประกอบด้วยมโนธรรมระดับไหนในปัจจุบันก็ต้องอาศัยปฏิกิริยาทางใจ มาเป็นเครื่องบอกกล่าวคือบาปอันเกิดจากการผิดศีลธรรมทำให้ใจคุณรู้สึกหรือนึกคิดอย่างไรบ้างข้อที่หนึ่งเมื่อเห็นคนอื่นทาบาปคุณมีความรู้สึกที่ชัดเจนเพียงใดว่าอย่างนั้นน่าละอายคุณจะไม่ทำอย่างเขาแน่ๆหากคุณรู้สึกอยู่เองได้โดยไม่มีใครบอกสอน แปลว่าต้นทุนเก่ามีอยู่หนาแน่นและยังแข็งแรงดีแต่หากคุณรู้สึกแ็นดีเห็นงามคล้อยตามแรงกระตุ้นให้ทําบาปแถมนึกครึ้มคลืมอยู่ว่าวันหนึ่งคุณจะทําบ้างอันนั้นให้นับว่าต้นทุนเก่าต่าหรือไม่ต้นทุนเก่าอาจดีแต่ปัจจุบันเริ่มไม่เข้าที่เข้าทางแล้วข้อที่สอง ก่อนทำบาปมีความพยายามห้ามใจเพียงใดถ้าห้ามใจไม่ก่อบาปได้สำเร็จในสถานการณ์ย่วยุที่รุนแรงก็เป็นเครื่องแสดงว่าคุณกำลังสั่งสมต้นทุนใหม่อยู่อย่างหนักแน่นแต่ถ้าห้ามใจไม่ไหวหรือแทบไม่ออกแรงต้านทานเลยก็เป็นเครื่องแสดงว่าคุณกำลังลดต้นทุนเก่าลงแล้ว ข้อที่สขณะทําบาปมีความรู้สึกเป็นทุกข์เพียงใดหากเป็นทุกข์มากไม่เต็มใจไม่รู้สึกยินดีหรืออยากล้มเลิกกลางคันทั้งยังทําบาปไม่สําเร็จอันนั้นคือแสดงว่าต้นทุนเก่าแค่คลอนแคลนทว่ายังไม่ถอนรากแต่หากคลื้ครื้นยินดีปรีดาที่ได้ความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น อันนั้นคือเครื่องแสดงว่าต้นทุนเก่าถูกทอนทิ้งบ้างแล้วข้อที่สี่หลังทําบาปมีความสํานึกผิดเพียงใดหากสํานึกผิดรุนแรงเสียใจมากไม่อยากทําอีกหรือกระทั่งตั้งสัจจะ ก, กับตนเองอย่างแน่วแน่ว่าไม่มีอย่างนี้อีกแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่า ต้นทุนเก่ายัางเหลืออยู่มากอาจสะเทือนเหมือนร่ำๆ่ำจะโค่นล้มบ้างแต่แล้วก็ปากหลักกลับคืนได้มั่นคงดังเดิมแต่หากไม่สำนึกผิดเลยไม่ครุนคิดทบทวนเลยว่าที่ทำไปนั้นมันผิดหรือถูกก็แปลว่าต้นทุนเก่าหดหายแน่แล้วสิ่งที่พึงสังเกตเข้ามาที่ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นช่วงใด ก่อนทำขณะธรรมหรือหลังธรรมล้วนมีหมอกมืดหมอกมวกัวก่อตัวขึ้นห่อหุ้มจิตให้คุณเห็นเหมือนตัวเองถูกปิดกั้นแสงสว่างนั่นแหละคือภาวะทางธรรมชาติของอกุศลจิตที่มีความมืดอึดอัดขับแคบไม่เป็นที่สบายกับตัวของตนเองแต่ถ้าใครทําบาปจนชินกระทั่งจิตมืดดาเป็นปกติ ก็อาจแยกแยะไม่ออกแล้วว่าอันไหนมืด อ, อันไหนมัวอันไหนสว่างอันไหนสดใสนี่จึงเป็นคำตอบว่าเมื่อบาปพอกหนาถึงจุดหนึ่งแล้วทำไมคนบาปจึงรู้สึกเฉยเฉยไม่ต้องฝืนใจไม่เป็นทุกข์และไม่เกิดความรู้สึกผิดใดๆทั้งสิน้นแบบที่เรียกกันว่าด้านชาหรือหน้าหนานั่นก็เพราะมีความดิบ ด, ด้านและความหนาทึบ อันพ่อขึ้นจากบาปปิดปังการทำงานของมโนธรรมได้หมดเรากับดับเครื่องลงสนิทจริงๆขอให้สังเกตว่าสำหรับคนบาปแล้วอาการเก้อเขินยากนั้นกลับกลายเป็นเรื่องน่าภูมิใจถือว่าเก่งกล้าที่ทำบาปได้โดยไม่อายลงมือได้โดยตามไม่กระพริบเหมือนการพิสูจน์ว่าจิตใจเข้มแข็ง ที่แท้จริงแล้วนั่นเป็นน <out> ิมิตหมายแสดงกำลังที่แข็งกล้าของบาปและความอ่อนแอโยบยาบของมโนธรรมต่างหากเมื่อเข้าใจซึ้งเข้ามาถึงภาวะทางมโนธรรมของคุณเองคุณจะเกิดความฉลาดเกิดสัญชาตญาณรู้เห็นอะไรอะไรตามจริงด้วยจิตที่หลอดโปร่งใสโล่งปราศจากมวลทินและตอบข้อสงสัยที่ทุกคนอยากรู้ได้หลากหลาย เช่นคำถามที่อยู่ในใจชาวพุทธมากที่สุดคือถ้าทำบาปแล้วสํานึกได้โทษจะลดลงไหมตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพได้ดีคือในวัยเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เป็นตัวของตัวเองคุณอาจจะพลัดจับพลูไปอยู่ในหมู่เพื่อนที่ชอบรังแกสัตว์เห็นการทำทารุณหรือเข็นฆ่าสัตว์ให้ตายทรมานเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องมันแมน คุณก็อาจสร้างรอยด่างไว้ในชีวิตด้วยการทำเรื่องโง่ๆที่ตนเองในวัยเด็กเห็นว่าดีเห็นว่าน่าทำเพื่อมาสานึกในภายหลังไปจนแก่เท่าว่าไม่น่าเลยอาการสานึกผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะแสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างหนักของมโนธรรมและนับเป็นการปฏิเสธตัวตนที่เลวร้ายซึ่งตีความตามสภาพจิตได้ว่า คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วเท่าที่การเอาแต่สำนึกผิดก็ไม่มีประโยชน์กลับจะมีโทษตรงที่ทำให้ใจเศร้าหมองได้บ่อยๆเสี่ยงต่อการตายด้วยจิตที่อมความเศร้าไว้ไม่คายการพร่าบนสำนึกผิดหรือคิดซ้ำว่าไม่น่าทำเลยจึงไม่ใช่ทางออกที่สวยที่สุดของจิตวิญญาณหากจิตฉลาด ต้องเห็นทางออกที่จะช่วยให้ทรมานใจน้อยลงคือสร้างตัวทําละลายมาเจือจางให้ความสํานึกผิดเบาบางลงโดยตัวทําละลายในที่นี้ควรเป็นบุญฝ่ายตรงข้ามกับบาปที่เคยสร้างเช่นท่าทุกทรมานใจสงสารสัตว์ที่คุณเคยเข็นฆ่าด้วยความเลือดเยน็นก็ให้ทําใจเป็นบุญเพิ่มแสงสว่างอบอุ่นแก่ตนเองด้วยการตั้งใจปล่อยสัตว์ปีกปล่อยสัตว์บก ลอยสัตว์น้ำและอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเหยื่อกรรมในอดีตของคุณคุณจำเป็นต้องทำบ่อยทำหลายครั้งโดยไม่ต้องสนใจมากนักว่าเหยื่อกรรมของคุณจะได้รับไหมเพราะสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายไปก็ไปสู่ภพภูมิอื่นกลายเป็นอื่นนานแล้วแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือรอยด่างทางจิตวิ ญ, ญญาณของคุณต่างหาก หากทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ที่คุณเคยทำร้ายมากพอคุณจะรู้สึกว่าจิตวิญญาณของตนเองถูกฟอกให้สะอาดจากมนลทินบาปมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งพอคิดถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นจากน้ำมือของคุณก็จะกลายเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งไม่ทุกทรมานแต่กลับเบิกบานขึ้นนั่นเป็นสัญญาณบอกว่าบุญเริ่มมากกว่าบาป คุณจะบอกตัวเองได้อย่างมั่นใจว่าจะไม่กลับไปเป็นจิตวิญญาณดวงเดิมที่ใจร้ายอย่างนั้นอีกและขอเพียงมีโอกาสได้พบกับตัวจริงของเหยื่อกามอีกครั้งคุณจะทำดีกับเขาเต็มกําลังอย่างแน่นอนไม่ต่างจากที่คุณพยายามทาบุญอุทิศให้กับเขาอยู่นั่นเองเมื่อทาบุญละลายความรู้สึกผิดแม้รู้ว่าอาจจะยังต้องรับโทษทานบางประการอยู่ แต่ก็เป็นสุขจากบุญใหม่มากพอจะมั่นใจว่าคงไม่หนักหนาสาหัสนักเปรียบเทียบได้ว่าจิตวิญญาณที่ปราศจากมโนธรรมจะมืดดำจนทำตัวเป็นขั้วดึงดูดของนรกแต่จิตวิญญาณที่สร้างมโนธรรมขึ้นใหม่ยอมไม่เป็นขั้วดึงดูดให้ลงต่ำไปสู่อบายง่ายๆจะเป็นนรกเดรัจฉานหรือเปรตก็ตาม จิตของคุณจะมีสัญชาตญาณรู้อยู่อย่างนี้ธรรมชาติที่คุณค้นพบในตนเองจะช่วยให้คุณเข้าอกเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโลนกะสูตรอย่างท่องแท้นั่นคือบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจนำใครบางคนเข้าถึงนรกได้แต่บาปปริมาณเดียวกันบางคนทำแล้วก็ให้ผลในชาตินี้โดยไม่หนักหนานัก ที่บาปเล็กน้อยพาคนเข้าถึงนรกได้เพราะบุคคลผู้นั้นไม่อบรมธรรมมีจิตใจต่ำทรามสำนึกผิดยากมีปกติของจิตเศร้าหมองง่ายเป็นทุกข์ได้ด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยฉะนั้นแม้บาปนิดหน่อยที่เขาทาไว้ก็พาเข้าถึงนรกได้เพราะเขายอมตายด้วยจิตที่เศร้าหมองแต่บาปเล็กน้อยเท่ากันเมื่ออีกคนหนึ่งทำ กลับให้ผลในชาตินี้นิดหน่อยแล้วจบก็เพราะได้อบรมธรรมะเป็นผู้มีใจสูงสํานึกผิดง่ายชมชอบการทําคุณงามความดีไม่มีประมาณแล้วพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบว่าเหมือนเกลือใส่ลงในถ้วยที่มีน้ำเพียงน้อยน้ำนั้นย่อมเค็มไม่น่าดื่มแต่เกลือก้อนเดียวกันหากใส่ลงในแม่น้าก็ย่อมไม่อาจทําให้แม่น้าเค็มได้ คนจึงดื่มกินน้ำจากแม่น้ำโดยไม่รู้สึกว่ามีเกลืออันแสนเค็มเจือปนอยู่อีกกรณีที่เป็นข้อสงสัยกันมากคือถ้าพ่อแม่พี่น้องอันเป็นที่รักมาก่อบาปก่อกรรมกับเราโดยเราไม่ถือสาหาความกับทั้งเป็นห่วงเกรงว่าผู้กระทาจะต้องรับผลกรรมอันเป็นทุกข์จึงพยายามเอ่ยยกโทษให้กับทั้งแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้ อย่างเนี้ยผู้ก่อบาปจะยังคงต้องสวยผลอยู่เช่นเดิมอีกไหมต่อโจทย์ข้อนี้คุณย่อมทราบเองว่ า, าบาปใดจิตวิ ญ, ญญาณของผู้ก่อบาปยังคงมืดบอดเหมือนเดิมไม่มีความสำนึกผิดเลยก็เหมือนกับเขาไม่ได้สร้างตัวช่วยอะไรไว้ให้ตนเองเลยการคิดอภัยของคุณก็ดีหรือแม้การทำบุญอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับเขาก็ดี ล้วนแต่เป็นกรรมที่สร้างเสริมมนุษยธรรมของคุณให้แกร่งขึ้นโดยไม่ได้มีส่วนช่วยดึงมโนธรรมของเขากลับมาแม้แต่น้อยจริงอยู่กระแสการอภัยตลอดจนกระแสบุญกุศลที่คุณจ่อจงส่งถึงเขาอาจเป็นคลื่นพลังที่แรงพอจะสะกิดใจให้เขาเกิดความรู้สึกวูบวับวั บ, ว บ, วบรู้สึกอยากขอโทษคุณบ้างอยากทาดีกับคุณบ้าง แต่ก็จะเหมือนกับวูบความคิดหลอกๆของเขาเองเขาอาจคล้อยตามหรืออาจเมินเฉยกับวูบความคิดดังกล่าวก็ได้ทางที่ดีที่สุดถ้าจะช่วยกันจริงๆ ร, ระหว่างอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็ต้องพูดคุยหวานล้อมหรือตะล่อมต้อนเขาออกจากมุมมืดเข้าสู่ลานสว่างมนุษย์เราจะเปลี่ยนใจก็ต่อเมื่อปรับความเข้าใจให้ถูก และจะเข้าใจถูกเองไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีใครบางคนพูดถึงสิ่งถูกต้องให้ฟังลำพังกระแสจิตที่แผ่เมตตาไม่ช่วยให้ความคิดความจำความรู้สึกของเขาต่างไปเลย